ท่ฟังค่ะดิฉันสันสินีนาคพงศ์นะคะและที่ผ่านไปนั้นก็คือพระมาชาคาวโรจากวัดนาปะพงลำลูกากาคลองสิบในช่วงเวลาของรายการสันสินีสนทนาทางสถานีวิทยุเอฟมครอบครัวข่าวร้อยหกช่วงแรกค่ะเรากําลังจะพาท่านไปสู่ช่วงที่สองพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโุดอนธานีช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะในวัสด ก, การใช่ไหมคะเชิญพานค่ะเราก็มา พูดถึงคุณสมบัติของพระาศาสดาของเราเพื่อที่จะเป็นการทําให้ท่านรู้ว่าเราควรที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบสำคัญ 2,600 ปีแห่งการเกิดมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในปีนี้กันค่ะพระพ<ช>ุทเจ้าพระุทเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมากในเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยังไงอย่างเช่นว่าเวลาที่มีใครมา ถามคําถามเนี่ยคือพระองค์ไม่เคยที่จะหรือถามคําถามบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ด่ากลับไม่ว่ากลับนะันิ่งอยู่เฉยสมมุติมีใครมาถามคําถามไร้สาระกับเราอย่างเงี้ใช่ไหมเราก็จะว่ากลับไปเลยหรือว่าให้ไปที่อื่นอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ไม่มนะีพระเจ้าก็ไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไร security guard อย่างเงี้ยมาคอยปกป้องเหมือนบุคคล VIP อะไรต่างๆไม่มีนะคะคะก็ไม่ปรากฏว่ามีในอย่างพระเจ้าประเสริฐนิโกรสุเนี่ยยังมี คนมาตามคุ้มครองนะแต่พระเจ้าไม่มีมีแค่ภิกษุห้ามร้อนเท่านั้นเองนะเพราะว่าความที่พระองค์ไม่มีไผ่แล้ว ก, ก็ไม่ได้มีใครมาคอยกัน้นเสวยตาชัดให้หลังจากที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะมีเฉพาะตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่มีคนมาคอยกัน้นเสวยตาชัดให้3เวลาแล้วก็พระเจ้าก็มีความเป็นอยู่อย่างที่เร า, เร า, เราท่า น, นเป็นอยู่เหมือนกันนะคือเป็น ก็ไปเดินปีปินฑบาทก็มีกับมานั่งฉันคนเดียวก็มีแล้วก็ไปแสดงธรรมก็มีป่วยก็มีอะไรก็มีมีหมดเหมือนเราทัว่วไปเลยค่ะท่านพิบุญคาะที่ฉันกําลังสงสยัยอย่างที่ท่านพูดบอกว่าพระพุทธองค์ไม่มีบาริกาตพระพุทธองค์ไม่มีการกั้นสวเอตฉับเนี่ยท่านสรุปเช่นนี้ได้อย่างไรครับเพราะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะไม่มีการเล่าในเรื่องนี้ไว้ ก็จะเป็นไปได้แต่มันมีพระวจนะที่บ่งบอกถึงความที่พระองค์นยอยู่คนเดียวตลอดนะอย่างเช่นว่าเวลาที่พระองค์เดินไปไหนเนี่ยบอกว่าเอาอดไปข้างหน้ามองไปข้างหลังไม่เห็นใครรู้สึกสบายใจมาก แ, แม้ด้วยการถ่ายอุจจารภัสสาวะาออแล้วก็อย่างดีที่สุดเนี่ยนะคุณโยมติว๋วเท่าที่ดูในร พ, พระไตรปิฎกคําสอนพระเจ้าเนี่ยก็มีแค่ว่าภิกษุในห้องร้อมอยู่เป็นหลายหลายร้อยเท่านั้นเอง ค่ะนะคะก็ถามเพื่อให้อืนอยันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสรุปว่าเท่ากับว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้ชีวิตยอย่างจัดว่าเรียบง่ายเรียบง่ายใช่เรียบง่ายนะคะเป็นคนเลี้ยงง่ายไงภิกษุในธรรมะในนี้เป็นคนเลี้ยงง่ายธรรมะในนี้สําหรับคนที่เลี้ยงง่ายแต่สำหรับคนที่สันโดษค่ะอะพระศาสดาท่านสันโดษ อย่างนั้นแล้วถ้าจะดําเนินวิถีชีวิตตามท่านก็สันโดษนี่มันมีกี่ระดับด้วยไหมคะคือเหมือนกับว่าบางทีเราก็ดูว่าอ๋อคนคนรวยเขาก็สันโดษได้นะสันโดษแบบคนรวยอืมใช่ใ่มันหนีไม่ได้ค่ะกองเงินกองทองมันท่วมตัวทำไงดีถ้าท่านถึงจะสันโดษนะคะสันโดษหรือไม่ในระดูที่กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่มีเงินเข้ามากแต่ทําตัวใช้จ่ายแบบกระเบิดกระเสียด ก็จะเป็นผู้ที่มีคนกล่าวหาว่าจะตายอดตายอยากเหมือนคนอนาถาแต่ถ้าเงินเข้าน้อยแล้วใช้จ่ายฟุม่มเฟือยนั่นก็จะมีคนมาด่าว่าว่าโอ้ยใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดือ่อนะะฉะนั้นเราเราดูตรงนี้กระแสเงินเข้ากับกระแสเงินออกให้มีความเหมาะสมนะใช้จ่ายให้บริหารตนให้อยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้ถือว่าสานโดษแล้วพระสงฆ์ทำไงพระสงฆ์พระสงฆ์นะงไม่ได้มีเงินนะรับเงินกันไม่ได้ทําไง ก็เป็นผู้ยินดีด้วยสองอย่างคือบินาบาทมาเป็นเครื่องบริหารท้องแล้วก็มีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเหมือนนกมีปีกสองข้างเป็นสัมราชที่มันจะต้องพาไปเวลาไปไหนแต่พิสุก็มีแค่บาทกับจีวรเป็นสัมระชที่ต้องพาไปเวลาที่จะไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยโอเคนะคะนี่ก็เป็นความสันโดดที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าร่ํารวยก็ดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออก เป็นพุ้ทวจนะเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นอยู่ในหมดของส ม, มชีวิตาการใช้ช่ายทราบอย่างถูกต้องอการดํารงเลี้ยงชีพยอย่างถูกต้องค่ะถ้าพิบูลค่ะดิฉันเคยได้ยินว่าวิธีในการที่จะพิจารณาพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอบอกว่าให้พิจารณาถึงความอร่อยไม่อร่อยอะไรอย่า ง, างนี้คะ่ะคืออะไรล่ะคะหมายถึงความปฏิกูลหรือกับไม่ปฏิกูลใช่ไหม เออคือรรถอร่อยใช่ไหมที่คุณพูดใช่ ค, ค่ะอัศธาะอะไรคนอรรถอร่อยก็คือภาษาบาลีนะพระเจ้าใช้คําว่าอัศธาคือรสอร่อยแล้วก็อทินวะคือโทษคือทําไมเราต้องเห็นโทษแล้วก็เห็นประโยชน์ของเขาเนะี่ยพระเจ้าใช้คําว่าอทินวะคือรสอร่อยอัศธาคือรสอร่อยนะแต่ไม่ได้ใช้คําว่าประโยชน์น ะ, ะ, ะรสอร่อยเนี่ยคือมันให้ผลดีกับเรายังไง ในเรื่องของความสุขแต่ถ้าสิ่งนั้นให้ความสุขเราตรงไหนได้อันนั้นก็คือรสอร่อยของสิ่งนั้นแต่เช่นว่าคุณพูดถึงธาตุดินอย่างเนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันประกอบกันเป็นชิ้นส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรารู้สึกพอใจดีใจในชิ้นส่วนนั้นก็คือคุณก็อันนั้นแหละเป็นรสอร่อยของธาตุนั้นๆั้ละค่ะมันเป็นรสอร่อยอ พิจารณาทําไมคะว่าอะไรเป็นรสอร่อยคืออันนี้แปลว่าพิจารณาเนี่ยในแง่ว่ามันดีอย่างไรถูกไหมคะใช่ใช่ทีนี้ว่าแค่นั้นยังไม่จบไงเพราะว่าทุกเนี่ยกือคือคอาันรตั้งห้าเนี่เป็นทุกใช่ไหมอันนี้เป็นพุทธวจนะที่บอกว่าอาการตั้งหเป็นตัวทุกแล้วทุกเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรกับมันเราจะต้องรอบรู้เขาไงเวลาจะรอบรู้เขาเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรคือรสอร่อยของเขา ะอะไรคือโทษของเขาอะไรเป็นอุบายในการนำออกของเขาอันนี้ต้องอยู่รู้อย่างน้อยสามอย่างในทั้งหมดเจ็ดอย่างอทีนี้พอรู้สุขรู้ทุกข์รู้ตัวเขาแล้วว่าเกิดมาจากอะไรเราจะได้รู้ความจริงสักทีหนึ่งค่ะคือรู้ว่าสมมติว่าเจอผู้หญิงสวยเขาบอกโอ้ข้อดีนี่ก็สวยดีมีคือรอร่อยละดูลับเลินดีจเจริญหูจเจริญตาน่ารักถูกต้อง แล้วก็ต้องพิจารณาต่อเลยข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือแกได้เหี่ยวย่นได้สวยๆอย่างนี้น่าเกลียดได้ใช่สวยๆอย่างนี้อาจจะแบบว่าทำให้เรามีความทุกข์ได้มามบังคับเอากับเราอย่างงดอย่างนี้แค่นี้ไมอันนี้ใช่ไหม่ะแ่นี้ไม่พอ <laughs> ในยังเป็นนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายเช่นว่าการมคุณการเบียดเบียนการการใส่ร้ายป้ายสีกันปัญหาต่างๆกรมตามมาหมดเพราะว่าไอเจ้ารูปนี้นั่นเองค่ะดิฉันเคยอ่านพุทธวจนะนะคะก็เห็นพระพุทธองค์เนี่ยเปรียบเทียบถึงขนาดให้เห็นว่าผู้หญิงสวยๆคนเนี้ยเป็นศบถูกทิ้งแรงกาจิกินมีน้ำเหลือน้าเลือดน้าหนองไหล กระนั้ น, นเที่ยวใช่ใช่อันนี้เพื่อทำให้เห็นภาพอน ะ, ะว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอเห็นขนาดนี้แล้วนี่เท่ากับว่าเห็นรถอร่อยผ่านไปละเห็นอ า, อาร์ธินวะนี่แปลว่าอะไรดีครัอาท์ินวะนี่แปลว่าโทษอันต่ํำสามอ๋อเห็น โ, <อ>โทษอันต่ํำสามแล้วทีนี้<อ>ท่านบอกว่าต้องต้องเห็นอุบายเครื่องนําออกด้วยใช่ จะเป็นอย่างไรครในการที่จะเห็นอุบายเครื่องนําออกอุบายเครื่องนําออกอุบายอะไรก็ได้นะที่ทําให้เราสามารถปล่อยวางไอเจ้าุกตัวตัวนี้ได้นะอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นตามด้วยความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแล้วเราปล่อยวางไนดะ้ไอความไม่เที่ยงนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอุบายในการนําออกนะเราเห็นเราปฏิบัติตามมักแล้วเราปล่อยวางได้ไอมักนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นอุบายเครื่องนํำออกของเรา ซึ่งตรงนี้มันมีหลายอย่างมาบางคนเห็นทุกของถือของมาหนักมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วปล่อยตรงนั้นแหละตรงที่คุณปล่อยเนี่ยคืออุบายในการนาออกคุณปล่อยได้เพราะอะไรตรงนั้นแหละคืออุบายในการนาออกค่ะอบางคนเห็นใบไม้ร่วงใบเดียวเอาใบไม้ร่วงนั่นแหละการเห็นตรงนั้นแหละคืออุบายในการนาออกค่ะกระบวนการสามกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันคือเห็นอสาทะความอร่อย เห็นอาทิวะคือโทษแล้วก็ต้องมีนิสระณะอุบายในการนำออกมันเป็นกระบวนการของอะไรคะเป็นกระบวนการการรู้ตามที่เป็นจริงรู้พร้อมรู้พร้อมเฉพาะคือสมมติเรารู้โรคอย่างเงี้ยหมอรู้โรคเนี่ยนะคุณโยมตีเขารู้ถึงว่าเชื้อโรคนี่มันเป็นอะไรมันทำงานยังไงมันมีสายพันธ์อะไรมันกินอาหารอะไรเาหมอเขารู้ระดับนี้แต่คนธรรมดาเนี่ยเขารู้ละตัน รู้ว่าตัวเองเจ็บปวดเฉยๆแต่ทําอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันปุถุชนเนี่ยเวลารู้ว่าตัวเองมีทุกข์ทำไมจะไม่รู้โอ้โหใจมันปวดงเหนื่อมันแตกขามันสัน่นกลัวไปหมดเขารู้อยู่แต่ข้อความรู้ของเขาตันแต่ถ้าเขามารู้อย่างที่พระเจ้าให้เรารู้เนี่ยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเครื่องเกิดอะไรเป็นเครื่องดับแก้ยังไงนี่แหละสิ่งจะเรียกว่ารู้แบบหมอไงค่ะนะคะนั้นสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้เนี่ยทีฉันเข้าใจว่า ท่านทั้งหลายเนี่ยจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แน่นอนเลยละ่ะเพราะว่าที่ยกตัวอย่างไปในดูเหมือนว่าเรายกตัวอย่างแค่ขันเดียวคือกองของกองทุก อ, อย่างเดียวคือเรื่องรูปใช่ใชในในวิธีการเดียวกันกระบวนการเดียวกันคือพิจารณาอัฏฐะอาทินวะและนิสระณะคือรสอร่อยโทษและอุบายนําออกเนี่ยเอาไปใช้กับในส่วนที่เป็นนามธรรมอย่างไรคะ ไ, ได้ทั้งนั้นเลยคือนามธรรมเนี่ย เราจะต้องไม่ได้ใช่ไหม <คะ S 1> แต่ว่าเราเร า, เรารู้สึกได้นี่เรารู้่มันเป็นก้อนๆ อ, อยู่ในสิทธิของเราเนี่ยเพราะฉ<ค>ะนั้นพระเจ้าจึงเรียกว่าว่าเป็นขันไงเพระเรารู้สึกได้ค่ะสมมุติเนี่ยคะ่ะนะมันส่วนใหญ่คนถ้าจะมีสัญญาจะมีสัญญาในเวทนาที่เป็นสุ ข, ขเวทนากับทุก ข, ขเวทนาเนี่ยถ้าทุกขมากมันก็จําได้เยอะนะคะ ความสุขในนร้่เข้าใจว่าเพลิเผลินเนี่ยถ้าทิ้งน้ำหนักกันอาจจะสุขมากอย่างไรก็จดจาได้น้อยกว่าความทุกข์ใ น, นคิดเอาเองอมไม่รู้จริงหรือไม่แต่รู้ว่าเนี่ยค่ะสมมุติเกิดแะม ม, ม, มีมีสัญญาไหมะคะมเป็นการอันนี้ต้องบอกเป็นการจำได้หรือบอกหมายรู้คะในสิ่งที่มันผ่านมามแล้วรู้หมายรู้เป็นความสุขมากๆเลยกับคนรักนะคะ แล้วก็ยังอยากให้มันอยู่อย่างนั้ น, อ, น, นอีกอ่า อ, อันเนี้ยเราจะพิจารณาแบบกระบวนการที่แล้วอย่างไรคะเราก็แค่มองให้เห็นทุกด้านนะว่า ค, ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุมาจากอะไรแล้วก็อไอ้ไอโทษของเขาเนี่ยคืออะไรค่ ะ, ะถ้าเราเห็นโทษ ว่าเอมันเสื่อมไปได้มันจางกลายไปได้นะเอาง่ายๆเลยแค่ว่าบางทีเร า, เามีความมีสัญญาที่มีเป็นสุขเ ง, งี้ยมีสัญญาที่เป็นความสุขคือสัญญานี้อันเดียวกันเนี่ยไปเหตุไปกับคนอื่นเอ๊ะทำไมเขาไม่สุขกับเราด้วยอืมอย่างกระบวนการในการเมืองตอนเนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยพวกสีหนึ่งก็เชียร์สีหนึ่งพวกอีกสีหนึ่งก็เชียร์อีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยเ อ, อ้สีนี้เป็นสุขอีอสีหนึ่งเป็นทุกข์อีกสีหนึ่งเป็นสุขอีกสีหนึ่งเป็นทุกข์ มันมันจะไปกันไม่ได้เพราะว่าสัญญาเนี่ยมันไปทํางานคนละแบบในจิตของคนคนนั้นค่ะแค่นี้มันไม่เที่ยงแล้วนะเห็นแล้วไหมค่ะคือกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของมันนั่นแหละใช่นะคะและก็ต้องมีอุประการหนึ่งคือการนำออกด้วยค่ะถึงจะด้ว่าคือพอพอเห็นข้อไม่ดีถูกไหมคะใช่อันนี้ในการพิจารณาทุกเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่เห็นข้อไม่ดีส่วนใหญ่เราก็ไม่ถอยแต่ถ้าพอเห็นข้อไม่ดีแล้วมันถอยได้ใช่ นี่จึงจะต้องการสรุปจบไว้ตรงนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับในวันมาค้บูชาที่ผ่านมาด้วย่นะว่าตรงเนี้แหละคือการทําจิตให้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเราทําความดีแล้วเนี่ยเราทําไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นว่าเอ้ความดีของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันมาได้ไปได้ไอ้เราทํายังไงให้เราพ้นจากทั้งความสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความสุขตรงนี้ได้ก็คือาการปล่อยวางทั้งสองอย่างโอ้ท่านทิ้งท้ายได้ดีมากเลยครับเพราะว่า ใ, ในมุมความดีแล้วไม่เที่ยงนะไม่ค่อยได้คิดกันอืนะคะ และเนี่ยคะ่ะคนเราก็เลยมักจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเพราะยังเชื่อว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรเก็บเอาไว้อแต่ถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากกระบวนการความทุกข์ดีก็ออยังต้องทิ้งใช่นั่นคือการทําจิตให้บริสุทธิ์หลักการน้ำมาสการของพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านฝั à, นค่ะท่านฝันที่เคารพคะและนี่เป็นการเข้าใจในคําสอนของพระศาสดาให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเราก็ได้ยกเอาพุทโธในการยกตัวอย่างที่จะใครครวญทำท่านฝันครับ เวลาที่ผ่านไปเร็วนะคะเดี๋ยวท่านพิบูลน์ก็จะกลับมาจากนอร์เวย์แล้วล่ะอีกสักอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันเช่นเคยในขณะที่เสียงท่านพบูลน์ท่านก็ยังฟังต่อเสาร์อาทิตย์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันได้อีกเช่นเคยเหมือนกันนะคะส่วนที่อยากได้หนังสือกันก022690006ค่ะพระอาจารย์คริสตโสติพโลวั น, นาป๋าพงษ์ลำลูกกาคลองสิบ ท, ท่านก็มอบให้พวกเราวันลา3ท่านนะคะและสําหรับ สัปดาห์นี้เราจะฝากไว้ว่าเรื่องของธรรมนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครปฏิบัติคนนั้นก็จะได้ประโยชน์และขอให้ท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระศ า, าสดานะคะเพราะพุทธวจนะนั้นจะทำให้ท่านพบกับความสวัสดีแห่งชีวิตเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะพุทธ ว, วัสดีคะ่ะ